ไม่ชอบใจโกรธหรือว่าไม่ถูกใจเราเนี่ยเพราะมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้ตัวนะเราเราก็มักจะปรุงมักจะคิดไปเรื่อยๆเอ๊ะทำไมท่านอย่างนั้นล่ะทําไมท่านอย่างงี้ล่ะโอโ้โหท่านเราอบูชายกให้อะ่ะเรายิ่งศรัทธาเนี่ยเรายกให้ว่าว่าท่านนี่แหมมันน่าจะพ้นมาแล้วไอ้เรื่องพวกเนี้ยนะกิริยาอาการนี่น่าจะดีกว่านี้ อ, อันนี้เรายังคิดแบบภาษาเรานะซึ่งจริงๆตอนนั้นนะ่ะเรายัง พูดง่ายว่าเรายังรู้น้อยอยู่แต่มันอดไม่ได้ก็เพราะรู้น้อยอสิมันถึงได้คิดคิดในมุมลบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะมันรู้น้อยแต่ยังดีว่าว่าอดทนได้แล้วในที่สุดบางทีอตาตมาก็เป็นคนนิสัยที่บางทีไม่ค่อยไปถามะนะแม้ว่าบางทีอึดอัดไม่ชอบใจเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนเก็บไว้ในใจ เพียงแต่ว่าดีตรงที่เป็นคนที่ไม่บุ่มบามไม่ใจร้อนเกินไปแม้ไม่ชอบใจเนี่ยเดี๋ยวก็คิดอีกเดี๋ยวก็คิดอีกแต่เป็นคนที่ที่อดทนที่จะดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะอย่าง น, น้อยเราไม่ไม่ประเภทว่าพอใจร้อนแล้วก็ไม่ชอบใจแล้วก็เอา้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ละถ้าอย่างนี้นะอยู่กันคนละฝากตังดีกว่า นะโชคดีที่ไม่ใจร้อนแบบนั้นยังแบบว่าเอาเดี๋ยวทนดูกันไปอีกหน่อยนะยังยังให้โอกาสนะนิสัยตัวเองของอาตมายังยังให้โอกาสก็เพราะอันนี้เลยโชคดีหนะ้าที่ทำให้บางทีพอเราดูไปดูไปดูไปเราก็เห็นว่าเออก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอย่างนี้ตลอดหรอกนะบางทีบางครั้งอะ่ะก็เรายอมรับ คือแล้วเราก็ได้เห็นความจริงด้วยและจริงจริงแม้แต่สมณะเองทีท่านก็บอกเราอยู่เหมือนกันเน่ยว่าเอาท่านยังไม่ได้บรรลุธรรมนะท่านยังไม่ได้กิเลสหมดสิ้นเกี้ยงแล้วนะบางสิ่งบางอย่างก็มีเหมือนกันนะที่มันอาจขาดเคลื่องบ้างกิเลสแพร่ออกมาหลุดออกมาบ้างก็มีแต่เราเองต่างหากนะที่เราก็ฟังนะั้นก็ฟังท่านพูดมานะแต่เราไม่ใส่ใจไง เพราะเรานี่ยศรัทธาเราเคารพเราก็เลยยกเอาไว้เพราะฉะนั้นไอ้มุมพวกนี้มันไม่อยู่ในสมองเราแต่ตอนนี้พอเรามาเจอจริงๆเข้าอะ่ะเจอมุมลบของท่านบ้างมันเลยวางใจไม่ได้เพราะว่าเราคิดแต่มุมบวกกับท่านเนี่ยสัมมากสมมุมเดียวเพราะฉะนั้นพอเจอเข้าไปซึ่งจริงมันก็เป็นความบกพร่องบางทีสมณะก็มีข้อบกพร่อง แม้แต่อัตมาเองบางครั้งก็มีข้อบกพร่องนะแต่ถ้าเราเองเนี่ยมีเนี่ยที่บอกว่ามีปัญญาเนี่ยคุณจะพ้นทุกข์ได้ไหมคุณจะตัดกิเลสทิ้งได้ไหมเนี่ยต้องมีปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็เข้าถึงความเป็นจริงเข้าถึงสัจจะคราวนี้เนี่ยบางทีเราเอ า, เอามาคิดเอามาพิจารณาบ้างแล้วก็บอกละอดทนไว้แล้วก็ดูท่านไปสิท่านเป็นอย่างนั้นขนาดไหนแค่ไหน พอเราทนดูไปดูไปส่วนใหญ่แล้วนะโดยเฉพาะถ้ามาเป็นนักบวชของชาวอสุกแล้วส่วนใหญ่แล้วท่านก็มีดีมากกว่าทั้งนั้นแหละไอ้จุดบกพร่องท่านก็มีแต่ว่าไม่มากนะมีน้อยกว่าซึ่งพอเราเนี่ยเห็นเข้าไปพิจารณาเข้าไปแล้วก็อยู่อยู่ร่วมกันไปนานเข้านานเข้านานเข้าเราจะเข้าถึงสัจจะอันนี้ คราวนี้มันก็จะเริ่มวางใจได้ว่าเออจริงๆแล้วทําไมอ่ะเราเนี่ยจะไปหวังโอ้โหให้คนสมบูรณ์แบบอย่างนั้นเหลยมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว อ, อ่แล้วแล้วก็เป็นบทเรียนสอนเราด้วยว่าเออเราศรัทธาคนเนี่ยเราก็ไม่ใช่ศรัทธาแบบหลับหูหลับตาหรือว่างมงายนะถ้าศรัทธาแบบงมงายเนี่ยเขาไม่เรียกศรัทธาเขาเรียกว่างมงาย มันศรัทธาต้องมีปัญญาต้องรู้ตามสัสจจะต้องรู้ความเป็นจริงด้วยว่าว่าว่าเออถ้าท่านเองท่านก็ยังไม่บรรลุนะแล้วท่านเองท่านก็พยายามฝึกฝนบางทีไอ้ที่ท่านหลุดออกมาบางครั้งก็เป็นจุดบกพร่องของท่านท่านก็รู้แต่บางทีอ่ะมันมันยังควบคุมไม่ได้ดีอ่ะมันก็มีหลุดออกมาแต่ท่านก็พยายามอยู่พยายามจะปรับพยายามจะแก้ไข ใช่ไหมซึ่งถ้าเราย้อนกลับมาดูตัวเราเองเนี่ยบางทีโอ้โหเรายังเยอะกว่าท่านอีกนะเราเองเนี่ยเราเยอะกว่าท่านอีกตั้งหลายเท่าเนยเอ้เราเราจะไปถือสาจะไปโกรธไปเกลียดชังอะไรท่านกันทั้กันหนาทั้งๆที่ท่านในเรื่องของการถือสีในเรื่องของการปฏิบัติธรรมท่านทําได้มากกว่าเราอีกต้องไม่รู้กี่ร้อยเท่าลดละก็ลดละมามากกว่าใช่ไหม ฝึกฝนมาก็ฝึกฝนม า, มากกว่าจนกระทั่งบางทีศีลหรือว่าฐานะที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ได้ดีกับเราโอ้แล้วคงจะมีอัตตามานะอะไรกันมากมายจนกระทั่งเรียกว่าข้ารบยกให้ไม่ได้เพราะอันนี้พอเราเรานะปฏิบัติไปเราจะเข้าใจพวกนี้แล้วเราก็จะออแยกแยะถูกแยกแยะผิด แยกแยะความเหมาะความควรของการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยน่าได้ดีขึ้นได้มากขึ้นแล้วจะทำให้คนนั้นเนี่ยรู้ชีวิต เ, เข้าถึงความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วอย่างนี้แหละมันจะทาให้เราเนี่ยเป็นคนที่ลดกิเลสนะลดกิเลสความชอบใจความไม่ชอบใจของเราที่จะเอาแบบตามใจเราเนี่ย เราจะลดพวกนี้ลดลงไปได้เรื่อยๆลดลงไปได้เรื่อยๆเพราะเราเอาตามความเป็นจริงเราไม่เอาตามใจแต่เราเอาตามจริงเพราะฉะนั้นคนที่รู้ความจริงได้เท่านั้นแหละนะถึงจะเริ่มวางใจได้แล้วถึงจะเริ่มปฏิบัติทำไปได้แบบถาวรขึ้นเรื่อยๆถาวรขึ้นเรื่อยๆจะไม่ปฏิบัติได้แบบชั่วคราวถ้าชั่วคราวนี่แสดงว่าเรายังไม่ค่อยเข้าถึงความเป็นจริงสักเท่าไหร่หรอก มันถึงได้ชั่วข่าวอารมณ์ดีก็อารดีไปอารมณ์ไม่ดีก็วูบลงมาหน้าหามืดหน้าดําแต่ถ้าอารมณ์ดีก็เอาหน้าสีชมพหูหน้าผ่องขึ้น <c oughs> อย่างนี้มันก็แล้วแต่อารมณ์ชั่ววูบชั่ววับไปเท่านั้นเองแต่ถ้าคนปฏิบัติได้จริงแล้วมันค่อนข้างเลยมันจะเที่ยงพุทธเจ้าท่านใช้คำนี้เลยจะเที่ยงจะถาวรมันจะคยขยับขึ้นไปเรื่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆ นะมันไม่มันไม่วุบวาบด้วยไม่แบบแม้เป็นปุถุชนอยู่ดีโอ้โหเป่งสว่างวา่าบบรรุธรรมเลยเป็นพระอาหารเลยไม่มีอะในศาสนาพุทธไม่มีแบบนั้นศาสนาพุทธต้องเป็นขั้นเป็นตอนมันอยู่แล้วนะคุณลดไ ล, ล่กิเลสได้คุณก็เออค่อยๆลดนะอ้าวจากอายมุกอ้เลิกมาได้อ่าขึ้นมาก พวกกรรมกุณห้าพวกแรงต่างเอาโลกธรรมแปดลดไปได้เรื่อยๆลดไว้แล้วสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆมันจะเที่ยงขึ้นไปอย่างเงี้ยเที่ยงขึ้นไปอย่างเี้ยเรื่อยๆเที่ยงขึ้นไปนะซึ่งถ้าถ้าเราเข้าใจได้เนี่ยในการปฏิบัติได้นะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นๆด้วยและโดยสภาวะจิตเราจริงๆด้วยถ้าคุณรู้ความเป็นจริงอนะาตมามีอยู่สามข้อถ้าคุณรู้ความจริง แล้วคุณยอมรับความจริงได้คุณจะอยู่กับความจริงได้อย่างสบายอย่างพ้นทุกมีอยู่สามข้อนะให้แง่คิดไว้รู้ความจริงยอมรับความจริงแล้วคุณจะอยู่กับความจริงได้อย่างสบายไม่ง่ายนะแค่บอกว่ารู้ความจริงให้ได้นี่ก็ยากแล้วนะเพราะส่วนใหญ่มันมันไม่ค่อยรู้อะ มันรู้ตามใจไม่ได้รู้ตามจริงนะบางทีเราไปพบเราไปเห็นเราไปเจออุปสรรคเจอปัญหาหรือเจอเหตุการณ์อะไรเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ปรุงรองคิดไปตามใจเรามากกว่านะตามความชอบความไม่ชอบหรือว่าความเฉยเฉยคือมันปรุงไปตามนั้นมันไม่ได้ปรุงมันไม่ได้พิจารณาใช้ปัญญาของเราเนี่ยพิดเจารณาไปตามจริงซึ่งอันนี้ยากนะไม่ได้ง่าย นะีน่ี่เพราะนั้นเนี่ยตัวที่หนึ่งเนี่ยต้องรู้ความจริงให้ได้แล้วมันถึงจะแบบว่ายอมรับความจริงแล้วเมื่อข่าวนี้ถ้าเราผิดจริงนะแล้วเรายอมรับหรือเราไม่ผิดเข้ามาว่าเราก็รับตามความเป็นจริงว่าเอา้าก็เราไม่ผิดนะนะอธิบายได้เราก็อธิบายนะถ้าคนที่ยอมรับนะตามความเป็นจริงคนนี้ก็ไม่ไม่เดือดอร้อนใจอะไรนะข่าวนู้นที่เขา ว่าพ่อท่านมาแรงแรงลงหนังสือพิมพ์บ้างก็ตามหรือจะไปด่าอยู่ที่ไหนก็ตามแต่โอ้โหด่าแรงแงด่าเป็นเรรัตฉานด่าเป็นอะไรต่ออะไรโอ้โหหยาบหยาบแรงแมากๆใช่ไหมเนี่ยอย่างพ่อท่านพ่อท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะพ่อท่านรู้รู้ความเป็นจริงของท่านว่าเอา้าท่านไม่ได้เป็นอย่างที่เขาด่าเนี่ยถ้าท่านอธิบายได้ท่านก็อธิบาย แต่อย่างไหนบางทีบางอย่างอธิบายไม่ได้ท่านก็ไม่โต้ไม่ไม่แยง้งไม่อะไรเลยท่านก็เฉยๆของท่านเพราะว่าเอา้าจะไปทำไงได้ก็เขายังหลงผิดเขายังเข้าใจผิด เ, เขาก็ต้องว่าตามที่เขาเข้าใจอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้ว่าเออเขายังเข้าใจผิดผิดอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้สมุทรถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะบอกให้เขาเข้าใจได้แล้วเราก็ รอไว้ก่อนรอโอกาสมีโอกาสเมื่อไหร่เขาคงจะเข้าใจเพราะอันเนี้ยนะถ้าใครรู้ความจริงแล้วใครเข้าถึงได้คนนั้นจะเริ่มยอมรับความเป็นจริงได้อันนี้ไม่ง่ายนะการยอมรับความเป็นจริงนี่ไม่ง่ายต่อให้บางคนเนี่ยรู้ความเป็นจริงว่าความเป็นจริงเป็นยังไงก็ตามแต่ยอมรับไม่ได้ก็มี รู้ความจริงได้นะแต่คุณยอมรับความจริงไม่ได้มีซึ่งซึ่งซึ่งจะมีออกมาสองลักษณะพวกที่ยอมรับความเป็นจริงไม่ได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยโดนคนติโดนคนว่านะสองลักษณะใหญ่ๆที่จะตามมาสำหรับคนที่ยอมรับความเป็นจริงไม่ได้แม้ว่าจะรู้ความจริงก็ตามว่าความจริงเป็นยังไงแต่ยอมรับไม่ได้อย่างแรกก็คือ นะยอมรับไม่ได้แล้วก็ออกมาในรูปของโทสะนะเอาเลยเถียงเลยย้อนกลับไปเลยนะ ท, ทั้งทั้งที่จริงๆเขาว่ามาถูกนี่แหละแต่เรายอมรับไม่ได้อะ่ะจะมาว่าเราข้างเดียวไม่ได้นะเพราะนั้นเราก็ว่าความผิดเขาบ้างเขาไม่ดียังไงเขาอะไรต่ออะไรยังไงแล้วก็ใส่เขาบ้างอันนี้มักจะเป็นพวกสายโทสะซึ่งซึ่งเรียกว่า เรารู้ความจริงแหละเขาว่ามาอย่างเงี้ยแต่เรื่องอะไรล่ะซึ่งครูจะเห็นได้เลยเนี่ยในสังคมในอะไรเนี่ยเยอะมากเลยอันนี้นะต่อให้เขาติมาเขาว่ามาเนี่ยถูกต้องนะแต่คนนี้เรื่องอะไรอ่ะให้ว่าชั้นฝ่ายเดียวแกก็มีผิดตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็ขุดกันใหญ่สิต่างคนต่างขุดต่างคนต่างขุดลึกวิ่งกันออกมากลายเป็นเลวหมดแหละไม่เหลือดีเลยคราวนี้นะแล้วก็โอ้โหพุ่นวาย สับสนมากมายนะในสังคมนั้นๆซึ่งจะเห็นได้เยอะและอันนี้ จ, จะมากด้วยเพราะโดยปกติของกิเลสคนเราที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ยอมแต่ถ้าเป็นสายสายมาในทางไม่ใช่สายบูวนะสายกามหรือว่าสายอะไรอะทนุทนอมหน่อยอะ นะคือถ้าเป็นสายนี้เนี่ยไม่ไปบูกับเขาหรอกยอ่อรู้ความจริงได้แต่ยอมรับไม่ได้คนที่ยอมรับไม่ได้นี่นะมันตีกลับไ ม, ไม่ไม่ไม่เล่น ง, งานเขาแต่มันตีกลับข้อหาตัวเองพวกนี้จะมนหมองอจะทุกนะจะกุ้มจะเศร้าโศกจะเสียใจนะเผอผหนักเข้าหนักเข้าตอมใจตายเพราะนี่เนี่ ย, ยแค่ว่าจะให้ยอมรับความเป็นจริงนี่ไม่ง่ายนะ ถึงถึงถึงบอกว่าที่ที่ใช้คำว่ายอมรับความเป็นจริงเนี่ยหมายถึงคนที่พอเรารู้ความจริงแล้วว่าเอาสมมติเราผิดพลาดเราบกพร่องเกเรเรามีแบบนี้นันเรารู้ความจริงถ้าคุณยอมรับความจริงขึ้นมาได้เนี่ยมันคือสภาพที่เรามองตามความเป็นจริงของเรา่าเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมเออเราจะปรับปรุงเราจะแก้ไขเราจะพัฒนาตัวเรา ต่อไปยังไงไม่ใช่ยอมรับแบบเปนที่เที่ยวก็ว่าโอพอรู้ความจริงแล้วยอมรับแบบเป็นกิเลสเพิ่มอะเป็นโทสะไปเลยหรือว่าเป็นซึมเศร้าไปเลยไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ไปอย่างนั้นไอ้ยอมรับแบบนั้นเอายิ่งยอมรับแบบนี้มันไม่ใช่คนรู้ความเป็นจริงแล้วเั้นยอมรับนี่ยอมรับหมายถึงยอมรับตามความเป็นจริงแล้วชีวิตคนเราจริงๆเนี่ยก็บอกแล้วเรามาพัฒนาชีวิต เรามาสร้างชีวิตเราให้มีความสุขความจเจริญขึ้นไม่ใช่มาให้แย่ลงนี่คือความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเรายอมรับความเป็นจริงได้เนี่ยหมายถึงกา ล, ลังกาลังจิตกาลังใจเราที่จะสู้จะพัฒนาตัวเรานี่คือการยอมรับยอมรับแบบคนที่อะไรอะ่ะแข็งแรงคนที่จะมีพลัง ที่จะต่อสู้ที่คือการยอมรับคนอ่อนแอเนี่ยยอมรับอะไรไม่ได้หรอกเพราะฉะคนที่ไม่ยอมรับความเป็นจริงเนี่ยคือคนอ่อนแอเป็นคนไม่มีเร่ยวแรงไม่มีพลังเพราะฉะถ้าเรายอมรับความเป็นจริงได้เนี่ยมันเป็นพลังทางธรรมเป็นพลังในด้านบวกในด้านของความดีเพราะพอยอมรับอย่างนี้ได้เนี่ยมันถึงจะอยู่กับความจริงนั้นอย่างดีได้ นะอยู่ยังไงอยู่อย่างเนี่ยแหละฝึกฝนปฏิบัติตนละเอออะไรที่เขาว่ามาจริงว่าเราไม่ดีว่าเราไม่ถูกต้องใช่ไมเราจะอยู่ยังไงอะ่ะจะใช้ธรรมะบทไหนดีจะใช้ข้อประพฤติปฏิบัติข้อไหนที่จะเป็นศีลหรือว่าเป็นตบะที่เอามาใช้แล้วทำให้เราเนี่ยเออไดพัฒนาตัวเราเองดีขึ้นวันข้าวนี้พอมาถึงขั้น อยู่กับความจริงได้ด้วยดีอันนี้แหละนะทุกวันนี้ถ้าเรามาถือศีลเรามาปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราเริ่มมาอยู่กับความเป็นจริงแล้วนะโดยเอาตัวเรามามาอยู่มาอยู่กับหมู่กลุ่มที่ดีนะมาอยู่กับมิตร ด, ดีสหายดีเนี่ยเพื่อที่เอออยู่กับคนอย่างนี้แล้วเนี่ยซึ่งเราก็ยังจะต้องเจออีกนะเจอดีบ้างเจอไม่ดีบ้างเนี่ย แต่ส่วนใหญ่จะดีเราอยู่แล้วเนี่ยผัสสะเกิดขึ้นนะเออเราจะปรับจิตปรับใจเราอย่างไงซึ่งการอยู่กับความจริงเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับจิตปรับใจอันเนี้ยมากเลยเพราะว่าแน่นอนหนีไม่พ้นว่าเราจะต้องเจอแน่ปัญหาต้องเจอพระเจ้าถึงได้ใช้คําว่าการที่คนเรามีชีวิตอยู่เนี่ยให้ตั้งตนบนความลําบากและกุศลธรรมเจริญ เนี่ยอันนี้หมายถึงว่าเนี่ยชีวิตเราที่เป็นอยู่แม้เรามาอยู่กับหมู่กลุ่มที่ดีก็ตามนั่นะมันก็ต้องมีความยากลำบากอะไรละ่ะคือความยากลำบากก็คือ <c oughs> การไม่ตามใจเรานั่นเองคือความยากลำบากถ้าคุณอยากสบายคุณไม่อยากลำบากก็คือตามใจนั่นแหละสบายไม่ลำบากแต่สบายแบบนั้นกิเลสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคุณมาลาบากแบบนี้ มาตั้งตนบงความลำบากมาสู้มาฝืนกับกิเลตเรานะเรื่องกินอยู่หลับนอนเรื่องกระทบกระทั่งเรื่องการงานเรื่องชีวิตความเป็นอยู่นะเจอกับความลำบากเข้าไปแล้ว <c oughs> นะั้แล้วเราก็ได้ฝื้นจิตฝื้นใจเราฝื้นอย่างผู้มีปัญญาฝื้นอย่างผู้มีความรู้เพราะถ้าใครเนี่ยนะ ตั้งตนบนความลำบากแล้วคุณมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นคุณมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่นะมันอาจจะดับบ้างแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดอีกทุกข์นะเดี๋ยวดับแล้วเดี๋ยวก็เกิดอีกถ้าคุณมีแต่ทุกข์เพียงอย่างเดียวนี่นะคุณไม่มีปิติสุขเกิดขึ้นมาบ้างเลยท่ามกลางความลำบากนั้นคุณไปไม่รอดเพราะ คุณมาปฏิบัติธรรมคุณไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์มาปฏิบัติธรรมคุณมาปฏิบัติธรรมคุณยังมีกิเลสอยู่ <c oughs> กิเลสที่จะทําให้เรามีกำลังในการที่จะปฏิบัติได้ต่อไปและกิเลสเราลดลงได้เนี่ยมันต้องมีปิติสุขที่เราจะได้จากสิ่งที่เราปฏิบัติด้วยท่ามกลางความลำบากนั้นเราสมมติ่าเรามาอยู่ที่วัดเรามาช่วยทางานทาการ เรามีแต่ต้องเสียสละแล้วใช่ไหมเหน็ดเหนื่อยบ้างหรือบางคนนี่เสียเงินทองบ้างเข้าของเครื่องใช้บ้างเราต้องสูญเสียเยอะแ ย, ยะมากมายจะว่าลำบากก็ลำบากด้วยอ่แล้วทำไมคุณจะทำไปได้อยู่อยู่ตลอดรอดฝั่งทุกวีทุกวันนะคุณจะทำไปได้ยังไงถ้าคุณไม่มีปิติสุขว่าโอ้โหเสียสละนี่มันดีอย่างนี้ใช่ไหม เราเสียสละแล้วเออเบากายเบาใจนะนะโอ้โหลดไอ้นั้นได้ละไอ้นี้ได้ทั้งทั้งที่เหน็ดเหนื่อยนะบางทีต้องทําไอ้โนต้องทําไอ้นี่ชนกับคนนั้นชนกับคนนี้บ้างเออแต่ว่ามันมีความสุขมันมีความสบายขึ้นในด้านจิตใจก็ตามในด้านร่างกายก็ตามที่เรารู้สึกเออเราเบากายเบาใจเนี่ยถ้าคุณไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามา เรื่อกูลคุณนะคุณไปไม่รอดหรอกเพราะเชื่อเหอะถ้าคุณยังมีกิเลสอยู่นะคุณยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยคุณทําไปเนี่ยท่านบอกว่าตั้งตนบนความลําบากใช่ไหมคุณทำไปทาไปเนี่ยพิติสุขไม่เกิดเนี่ยนั่นเนความจเจริญมันไม่เกิดหรอกเพราะว่าคุณทําไปทําไปลําบากไปใช่ไหมโอ้โหดูซิมาช่วยแล้วยังมาดาอีกนะดูซิทําให้นี่ก็ว่าอีกอ่อไปทำไอ้น่นก็ แหมเด็ดเหนื่อยอย่างนี้ก็มีแต่ไอ้แตนทั้งนั้นเลยรับรองมาครั้งเดียวอะ่ะ <c oughs> ครั้งที่สองไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีปิติสุขแม้ว่ามีคนมาด่าว่าก็ตามนะแต่ใจเราเนี่ยถึงบอกเนี่ยเรารู้เราเข้าใจใช่ไหมเออว่าเอ้ยจริงคนนี้เขาก็ติเราเขาก็ว่าเราก็จริงอะ่ะแต่ไอ้ที่เราทำไปมันเป็นบุญกุศลยงจริงอะ่ะใช่ไหมคุณชัดเนี่ย อันนี้คุณรู้สัจจะพวกนี้คุณทําแล้วคุณก็แหมอิ่มอกอิ่มใจคุณน่ะก็ทําให้คุณทําไปได้เรื่อยมีคนตีคนว่าอยู่ก็ทําต่อได้ใช่ไหมไอ้ส่วนถ้าเราบกพร่องจริงก็บอกแล้วเราก็แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงไปแต่ถ้าเขาว่ามาไม่ถูกต้องเราทํำของเราดีแล้วถูกแล้วเราก็ทําของเราต่อไปเรื่อยเขาว่าได้ก็ว่าไปมันก็บอกแล้วก็ประชาธิปไตยปากเขาเขามีสิทธิ์อ้าปากเขา คงจะไปห้ามปากก็จะอย่งไงเออแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะอ้ า, าปากแต่หูเราอ่ะหูเราเราก็ปชาธิปไตยหูเราเราก็มีสิทธิ์ฟังให้มันเป็นเน่ยฟังให้มันถูกต้องใช่ไหมแล้วเราก็มีปิติมีสุขของเราในการที่เราทําได้ถูกต้องแล้วหรือถ้าเราไม่แน่ใจเราไม่มั่นใจเอาไปปรึกษาก็ได้นะผู้ใหญ่ก็มีอยู่เราก็ไปถามดูสิว่าเออเนี่ยเราทําอย่างนี้อย่างงงี้ แล้วมีผู้ที่มาว่าอย่างเงี้ยงี้เนี่ยเออ้วเขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเขาว่าถูกหรือว่าผิดเนี่ยอ่าถ้ายิ่งเราถามผู้ที่มีศีลสูงกับเรานะถามผู้ที่เราเชื่อมั่นว่าว่าเอออันเนี้ยนะบุคคลนี้เป็นผู้ที่มีสติปัญญานะสามารถที่จะบอกทางที่ถูกให้กับเราได้อาบางทีเราก็ไปถามเออถ้าท่านฟังแล้วท่า น, น, นบอกมาว่า เอออันนี้เขาว่ามาถูกก็แล้อันนี้คุณน่าจะปรับปุงคุณน่าจะแก้ไขอ่ะเราก็จะได้ยอมรับความเป็นจริงแล้วเราก็จะปปรับตัวเราแก้ไขไปใช่ไหมแต่ถ้าปรากฏว่าพอท่านบอกมาว่าเอออันนี้ไม่ถูกหรอกอันนี้ไอ้คนว่าเนี่ยมันว่าผิดนี่กิเลสของคนว่ากิเลสของของไอ้คนที่ว่าเนี่ยมันริษยามั่งมันถือสามัางหรือว่ายัง ฝึกฝนมาไม่ดีนะก็เลยว่ามาแบบนี้ถ้าอย่างนี้เราก็จะได้สบายใจเราใช่ไหมว่าเออแสดงว่าเราไม่ได้ทำผิดพลาดอะไรเนี่ยคราวนี้เราก็มีปิติมีสุขของเราเราก็ทาไปทั้งทั้งที่เราก็ยังเหน็ดเหนื่อยเรก็ลําบากนั้นชีวิตจริงๆคนเราเนี่ยเกิดมาทุกวันทุกวันทุกวันคุณลําบากทุกวันแหละเดี๋ยวก็ต้องมาหาเรื่องกิน นะไม่หากินก็ต้องมาทำให้คนอื่นกินอแล้วเดี๋ยวก็ยิ่งถ้าเป็นคารวะก็ต้องบางทีต้องไปหาเงินหาทองอีกอหรือว่าถ้ามาอยู่วัดแล้วนะอา้าเดี๋ยวก็ต้องไปประจำหน่วยนะทำงานอยู่นั่นจุดนี้อะไรมันก็ต้องมีงานการมีอะไรเนี่ยบุญเวียนไปอยู่เรื่อยอยู่ตลอดซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตั้งตนบนความลบากนะบางทีเนี่ย มาอยู่วัดก็ต้องมีกฎระเบียบมีศีล น, นะมีข้อประพฤติข้อประปฏิบัติต่างๆมาอยู่วัดแล้วมาอยู่แบบตามใจตัวเองก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้ตั้งตนเป็นความลําบากแล้วเอาตามใจเรานะมีเหมือนกันบางคนอาจจะบอกก็เนี่ยแหละก็บอกว่ามรรคองคแปดทางานเนี่ยก็เลยทําแต่งานเนะีะบางทีฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมก็ไม่ฟังเนี่ยนะก็ อ้างแต่งานอ้างแต่งานซึ่งจริงๆใช่เราก็บอกว่าต้องทํางานแต่เอาแต่งานแล้วกิเลสเพิ่มกิเลสเพิ่มใช่ไม่ได้ออถ้าคนนั้นทํางานแล้วกิเลสลดลงนะความโลภก็ลดลงโทสะความไม่ชอบใจการถือสาอะไรลดได้ลงนะแม้ไม่มาฟังธรรมเนี่ยนะถ้าคุณศึกษาเองก็ได้เอาแล้วคุณลดพวกนี้ลงได้ก็ใช้ได้เหมือนกัน นะเพียงแต่ว่าเชื่อหัวตัวเองมากไประวังเถอะอาจจะลดกรามลงได้บ้างอาจจะลดโทสะลงได้บ้างแต่ระวังอัตตามานาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะบอกให้รู้ไว้ด้วยพราะบางคนเนี่ยมีเหมือนกันเนี่ยบางทีแม้แต่นักบวดยังไม่ค่อยจะยกไว้เท่าไหร่เลยเพราะเชื่อมั่นในการงานเชื่อมั่นในอะไรอะ่ะตัวเองทํางานทํางานทําการทําอะไรไป ยิ่งอยู่มานานวันนานเดือนนานปีนะแต่กิเลสอตนะัตมาณะอาจจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้นี่ยากแหละนะนักบวชเองนะที่ท่านบริหารหรือว่าท่านดูแลภายในวัดก็ตามแต่ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วโดยสมมุติเราก็ยกให้อยู่แล้วใช่ไหมว่าตามสัจจาเราก็ยกให้แต่ตามความเป็นจริงอะยกให้จริงหรือเปล่า ตามเป็นจริงนะอันนี้เอาตามจริงส่วนใหญ่บางทีแล้วนะยกให้โดยรูปภายนอกยกให้โดยรูปภายนอกโดยสมมุติโดยรูปภายนอกยกให้นะกราบอะไรอย่างเงี้ยยกให้ไหวแต่โดยจริงๆแล้วบางทีอัตามาณะยังมากนะ <c oughs> อัตามาณะภายในใจเนี่ยกราบก็กราบอันนั้นเป็นเรื่องที่ ทำกันรูปภายนอกเท่านั้นแต่ใจยิงบางทีไม่ยกให้หรอกซึ่งอันนี้ก็ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะเป็นเรื่องของศรัท ธ, ธาด้วยเหมือนกันนะถ้าจะว่าไปก็ต้องว่านักบวชยังไม่เก่งไม่สามารถที่จะสามารถจะปฏิบัติหรือว่าสร้างศรัท ธ, ธาให้เขานี่สามารถศรัท ธ, ธาได้ทั้งกายวาจาแล้วก็ใจนะก็ไม่ไปว่าใครว่ า, ว, าว่าตัวเราเองดีกว่า เออเราก็ยังไม่เก่งจึงได้ทำให้เขาไม่ไม่เคารพนะไม่ยอมรับได้จริงเพราะว่าถ้าว่าคนอื่นเขาเราจะไปให้คนอื่นเขาแก้ถ้าว่าตัวเราเราเราจะได้แกนะ้เราจะได้พัฒนาตัวเราดีกว่านะเราได้ประโยชน์อะ่ะวันนี้ก็นะพูดแง่มุมต่างๆให้พวกเราฟังนะเผื่อว่าเนี่ยชีวิตที่มาปฏิบัติธรรม เราจะได้รู้ว่าการตั้งตนบนความลำบากนี้นะไม่ใช่เรื่องที่เราคิดว่ามาปฏิบัติทำแล้วจะง่ายๆใดๆมันเป็นเรื่องที่ลำบากแต่ในความลำบากมีความสบายที่เมื่อใครทําได้แล้วนะความสบายนี้จะเป็นความสบายที่ยั่งยืนนานแล้วก็ถาวรที่จะทำให้นะเราเรียกว่าพ้นทุกข์ได้ นะไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนก็ตามทุกต่างๆในโลกนี้จะไม่สามารถก้ำกายเราได้เลยถ้าเราสามารถที่จะเข้าถึงนาการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ได้จริงก็จะทำให้พวกเราเนี่ยพ้นทุกได้จริงๆหลักการของาศาสนาพุทธแล้วพึ่งตนพึ่งตัวเรานะแล้วจากตัวเราเราก็เลือกหมู่กลุ่มที่เราอยู่ ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถพ้นทุกข์ได้ไวขึ้นวันนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้